ย8บารมีทั้งหมดต้องใช้ตอนจะข้ามพพข้ามชาติวงเล็บเปิดสามกันยายน 2550. ้าห้าจุดจุดนาทีส4ี่วงเล็บปิดตอนที่จะข้ามพพข้ามชาตินะบารมีทุกชนิดที่เคยสะสมขุดมาใช้ได้หมดเลยขันติบารมีอดทนอดกลั้นยอมทานบารมีสละทุกสิ่งทุกอย่างได้ไหมสละกระทั่งชีวิตได้ไหมถ้าจะตามรู้เอาความจริงเอาสัจจะเอาความจริง ทานบารมีไม่ใช่กระจอกนะกล้าสละชีวิตไหมเพื่อธรรมะบางคนรู้สึกทานนบารมีหมูๆนะทําไมพระเวสสันดรมาลงด้วยบารมีคือทานนบารมีมาเต็มตรงทานบารมีไม่ใช่ของง่ายสละกระทั่งตัวเองได้คือสละมานะอัตตาสละออกไปได้ไม่ใช่ธรรมดาเนคข ม, มะบารมีกล้าไหมในภาวะที่จะแตกหักนี่มานจะบอกเรามานคืออภิสังขารมานจะบอกเรา เลิกเหอะถ้าเลิกนะถ้าถอยออกมาเป็นพระอนาคาคารอยู่แล้วอยู่กับโลกมีความสุขยิ่งกว่าพระเจ้าจากกักรพรรดิอีกเอาความสุขมาหลอกมาลอ่อเนคขมะบารมีไม่เอาความสุขนะกล้าทิ้งความสุขทุกอย่างได้มีสัจจะไหมมีสัจจะยอมเสียชีวิตเพื่อให้เห็นความจริงมีอธิษฐานใบารมีไหมตั้งใจสู้แล้วไม่ถอยตายก็ตายมีบารมีนานาชนิดเลย มีวิริยะไหมจะภาคเพียนต่อไปไหมหรือจะเลิกเลิกนี่ไม่ใช่เลิกธรรมดานะเลิกทั้งชาติเลยภาวนามาถึงจุดนี้ถ้าเลิกหมายถึงเลิกทั้งชาติเลยไปต่อพรหมโลกเลยมันสอนอย่างนี้นะเราเป็นมนุษย์เราก็มีความสุขไปเดี๋ยวไปต่อพรหมโลกชาติสุดท้ายแล้วเป็นอะไรไปนะต้องภาคเพียนต้องไม่ถอยเลยมีปัญญาไหมมีปัญญารู้เท่าทันกลนอุบายของกิเลส น, นานาชนิดที่หลอกไหมสามารถเจริญสติเจริญปัญญา รู้ลงไปอย่างที่เขาเป็นไหมยอมรับไหมยอมรับอรยศาสตร์ที่ปรากฏไหมมันสู้กันนะไม่เคยเห็นสงครามอะไรที่ดุเดือดเลือดพล่านเหมือนสงครามล้างชาตินี่แหละคือสงครามล้างชาติละผ่านสงครามนี้คือไม่เกิดแล้วสงครามล้างชาตินี้ยิ่งกว่าสงครามล้างเผ่าพันธุ์อีกล้างเผ่าพันธุ์นี้ไปมันยังเหลือเผ่าพันธุ์อื่นมันเป็นการต่อสู้ซึ่งถ้าไม่ได้ฝึกฝนอบรมมาอย่างดีนี่สู้ไม่ได้ ต้องสร้างบารมีสร้างไว้ทุกสิ่งทุกอย่างค่อยๆฝึกฝนตัวเราเองบางคนจะเอาแต่ปัญญานะศีลไม่เอาโง่ที่สุดเลยทิ้งศีลคือทิ้งพื้นฐานที่สําคัญไวล้ล่ะหรือทิ้งสมาธิไปถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีคุณธรรมฝ่ายดีให้ถึงพร้อมนะจะเอาอะไรไปสู้กับมารในยกสุดท้ายไม่มีทางเลยสู้กับมารในตําราบอก บางทีก็พูดว่าพระพุทธเจ้าเอาบารมีมาสู้มีบารมีเป็นทหารของท่านบางทีก็บอกมีโพธิปักคิยธรรมวงเล็บเปิดธรรมะอันเป็นฝากฝ่ายแห่งความตรัสรู้ธรรมะที่เกื้อหนุนอริยมรรคมี37ประการวงเล็บปิดคือคุณธรรมความดี37ประการที่สร้างไว้มาเป็นเครื่องมือต่อสู้อันเดียวกันคือความดีทุกชนิดนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องสร้างให้ครบๆนะ ต้องสู้มันเราต้องสู้ตั้งแต่เบื้องต้นมันก็คือการต่อสู้ทั้งหมดเป้าหมายคือละตัวตนละความยึดถือในตัวตนมีตัวมีตนอยู่ก็ยังทุกข์อยู่หมดความยึดถือในตัวใน ต, ตนตัวตนร่างกายขันห้าทุกข์ก็ทุกข์ของมันสิเรื่องของมันจิตอยู่ตัางหากเลยมีแต่ความสุขล้ว น, นเลยสุขแบบไม่มีอะไรเหมือนเลยนะอาศจันสุขจนเหมือนาธาตุขันร่างกายจิตใจมนุษย์รองรับไม่ไหว ตอนที่จะแตกหักนี่มีความทุกข์เหมือนกับว่าจิตใจจะรองรับไม่ได้ร่างกายจะรองรับไม่ได้เหมือนจะระเบิดเลยตอนที่ผ่านไปแล้วนี่มีความสุขมหาศาลเหมือนร่างกายจิตใจรองรับไม่ได้อีกละดูสิร่างกายจิตใจมนุษย์กระจอกจริงๆมันรองรับธรรมะขั้นสูงก็ไม่ได้ทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายชั่วนะเหมือนสู้ไม่ไหวแต่ว่าก็ยังไม่เห็นใครตายนะไม่ต้องกลัวว่าบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วตายไม่เห็นมี มีแต่พวกที่ท่านจะตายอยู่แล้ว